มีแผนการต่อไปอีกหรอต้องมีแน่แผนการขั้นที่หนึ่งผ่านไปได้อย่างง่ายแต่คือการทำให้คนทั้งสองแตกแยกแต่แผนการขั้นที่สองที่จะทำให้วีลาวดีรักข้าพระเจ้าจนยอมแต่งงานนี่ไ่รู้ว่าจะง่ายหรือเปล่าแต่แม่เชื่อความสามารถของเจ้าต้องสำเร็จแน่มีแม่คอให้กำลังใจอย่างนี้ข้าพระเจ้าคิดว่าต้องสาเร็จเหมือนกัน <laughs> ได้รับจดหมายของดิลาวดีแล้วทาไม่เกิดความโกรธแค้นชิงชังอย่างรุนแรงเคยรักเธอมากเท่าไดก็เกลียดมากเท่านั้นความโกรธแค้นอันเกิดจากความผิดหวังในดิลาวดีทาไม่ความคิดอ่านเปลี่ยนแปลงไปในแนวใหม่ความรักที่เคยมีต่อดิลาวดีอย่างท่วมหัวใจได้ถูกความโกรธแค้นเขาที่น่าไปติ้นตั้งจิตระลึกถึงพระบรมศาสดา ตั้งแต่นี้ไปข้าพาเจ้าขอมอบอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาขอตายในร่มกาสาวคัดและขอเว้นขาดเจ็บการติดต่อกับสตรีเพศขอเทพเจ้าในสากลล จ, จักรวาลจงเป็นพยานแก่ข้าพาเจ้าด้วย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 ต้องการหนีไปจัดกรุงสาวัตถีจากลีลาวดีผู้ทรยศให้ไกลที่สุดเข้าที่จะไกลได้ในที่สุดก็กลายเป็นคนผนเอกจรอีกครั้งหนึ่งและคงผนเนอกจรต่อไปตลอดชาติเป็นชีวิตที่ระหบประเหินพอดูล ค, คิดก็สงสารตัวเองถ้าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตเส้นชีวิตของคนทุกคนจริง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 ระดุดปลาที่ท่องเที่ยวไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เหมือนนกน้อยที่บินไปในท้องนาภาอากาศอันไพศาลตลอดระยะทางอันยืดยาวที่ผ่านมาได้พบกับภูมิประเทศแปลกได้ไปเชิญกับความยากลำบากนานาประการได้พบกับคนหลายชาติหลายวันนะักหลายธรเนียมประเพณีสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนยาที่ช่วยสมานแผลในหัวใจให้ดีขึ้น ดีลาวดีค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำทีละน้อยสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความรักในการเดินชมสิ่งแปลกในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลความรักอันเยือกเย็นในธรรมชาติของป่าและลำนาวไฟซึ่งปรา ะ, ะจากเล่เหลี่ยมกนโกง บ้านน้อยเมืองใหญ่นับจำนวนไม่ท่วนผ่านมาแล้วจะไม่มีที่แห่งใดเรื่อนรมเท่ากับท่าภูเขาและราวป่าอันเงียบสงัดในชนบทที่ห่างไกลลานหินอันราบเรียบและทกษชาติอันร่มเย็นมีความหมายยิ่งกว่าคระหดอันโอโถงเสียงน้ำไหลเตาะชอกขินในลำธารและเสียงกรีดร้องของจับจันไรในป่า ฟังไพ<ค> ร, รอกว่าเสียงเพลงขับคลอด้วยดนตรีของชาวมือแสงเดือนดาวในราตรีก็เหมือนจะเย็นตาหน้าชมกว่าแสงประที่โคมไฟลาสีในนครสิงสาราศในปา่าถ้าเราพบกับมันด้วยจิตเปลี่ยมเมตตาดูหน้าคบไม่แท้มนุษย์ผู้เจริญได้ ว, วัฒนธรรม ณที่ท่องเที่ยวไปก็สั่งสอนประชาชนไปด้วยการสั่งสอนผู้อื่นก็คือการสั่งสอนตัวเองจิตใจดีขึ้นทุกๆวันที่ผ่านไปเมื่อพบหมู่บ้านก็หยุดพักในป่าก ใ, ใกล้ๆหมู่บ้านนั้นตื่นเช้าก็เข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านได้อาหารพอเลี้ยงที่ไปวันหนึ่งวันหนึ่แล้ก็กลับมาฉันอย่างที่พักถ้ามีชาวบ้านออกมาสนทนา ด, ด้วย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 ท่านเป็นมนุษย์ไม่มีอำนาจปาฏิหารอะไรไม่มีฤทธิเดชอะไรจะพึ่งตนเองได้ยังไงก็อาตมาไม่มีฤทธิเดชนี่แหละจึงต้องคิดพึ่งตัวเองถ้าอาตมามีฤทธิเดชอย่างมุรีทั้งเจ็ดอาตมาก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งตัวเองก็พระเจ้างงไปหมดแล้วฟังอาตมาสิในบ้านเวลานี้อาตมาเปรียบเสมือนบุรุษ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 ด้วยการออกไปบวชเป็นบรรพฑิตอยู่ในป่าอันสงบเงียบทําความเพียรขจัดกิเลสต่างๆออกไปจาก จ, จิตใจนี่คือความสุขไม่อิงอาศัยวัตถุและที่ท่านว่ามูนีทั้งเจ็ดให้ความสุขนั้นละ่ะให้ความสุขชนิดไหนเอความสุขที่ท่านมูนีทั้งเจ็ดให้ข้าพาเจ้าเอหมายถึงความสุขทั้งสองอย่างหมายความว่าความสุขทั้งสองอย่างนั้น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 ความสงบสุขเยือกเย็ยนก็จะเกิดขึนจิตใจของท่านจะบริสุทธิ์ได้เพราะการชำระของท่านเองท่านขัดสีสักฟอกจิตใจของท่านเองเมื่อมือของท่านเปือเป้อนสิ่งโสโครกท่านต้องใช้น้ำล้างมือจึงจะสะอาดถึงท่านจะทำการบูชาต่อเทพเจ้าวิงวอนให้มือของท่านสะอาดสักเพียงใดมือของท่านก็หาสะอาดไม่ สิ่งโสโครกจะไม่บินออกไปจากมือของท่านเป็นอันขาดเจงของท่านท่านที่แจงให้ขพเจ้าเห็นแสงสว่างบังเกิดความเลื่อมใสในตัวท่านขาพเจ้าขอมอบตัวเป็นสิทธ์ของท่าน้าพาขพเจาา้ขาขอมอบตัวเป็นศิทธ์ของท่านขปเจ้าขอเป็นสิทธ์ด้วยคนจ้ะจ้ะดูก่อนอุบาสกไกลจากที่นี่ไปทางทิศตะวันตกมีเมืองหนึ่งนามว่าสาวัถี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 ถึงขนาดนั้นเทอาไหร่แน่นอนมนบทนี้คนวรรณะพรามเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์สาธยายได้คนวรนนะอื่นไม่มีสิทธิ์ถูกแล้วมนบทนี้จะต้องสาธยายด้วยเสียงเบาๆทาไมละ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คนวันณะสูตรได้ยินคนวรนนะสูตรได้ยินไม่ได้เโอ้ไม่ได้เด็ดขาดแม้แต่พันยาในระหว่างมีระดูก็ไม่ให้ได้ยินสาธยายมนบทนั้นให้อาตมาฟังหน่อยได้ไหมท่านวันณะอะไรละ่ะ อาตมาเป็นบันปชิตงั้นก็เป็นพรามน่ะสิเอาเถอะข้าพระเจ้าจะสาพยายมนขยาตรีให้กว่าตัดสาวัตระวาเรนยัมพารโคเทวาสยะทิมะิทิโยโยนากะเรยจโฉทยยด์พวกเราจงน้อมนมัสการซึ่งรังสีอันสูงส่งของพระสุริยเทพกูพ้เป็นใหญ่เนื้อสรรพสิ่ง ผู้อาจนำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจผู้เป็นดุจดวงตาที่บนเพดานแห่งสวรรค์ถ้อยคำเพียงเท่านี้มองไม่เห็นเลยว่าสามารถทำให้เทวดากลัวได้ยังไงแต่ก็นิ่งไว้ดีกว่าดีกว่าจะไปขัดคอครับ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 ท่านจะสาธยายให้ฟังเหรอถูกแล้วถ้าท่านอยากฟังอัตมาจะสาธยายให้ฟังได้ครับอยากก็ย่าได้เลยอยากฟังสัพพะปาปะสะอาการังไม่ทำความชั่วทุกชนิดกุลศลสูปะสัมปทาทำความดีทั้งปวงสจิตตะปาริโยทะปะนังชำระจิตของตนให้ผ่องใส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 แต่เห็นว่าการกระทำนั้นพูดนั้นจะก่อความสุขให้กับตนและคนอื่นไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายก็จงทาเถอะถ้ารักษาได้เช่นนี้มนของท่านก็จะขลังแต่ถ้ารักษาไม่ได้มนของท่านก็จะเสื่อมอาตมาเดินทางมาคนเดียวไม่มีอาวดดุธใดๆติดตัวมาเลยได้เผชิญกับสัตว์ร้ายวิสัตทร้ายและโจนผู้ร้ายมามากแต่มนบทนี้ก็ช่วยคุ้มครอง ให้อัตมาปลอดภัยตลอดมาแล้วข้อห้ามอย่างอื่นละ่ะข้อห้ามอย่างอื่นไม่มีอัตมาจะสาธยาได้เสียงอันดังเท่าไรก็ได้จะบอกใครๆต่อไปอีกก็ได้ยิ่งบอกคนอื่นได้มากเท่าไหร่หมนของท่านยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเท่านั้นเอาละ่ะอัตมาขอลาก่อน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 ไมไ น, นั่นไงหญิงแก่กำลังนั่งร้องไห้ข้ามโควนอยู่ข้างๆกอ ง, กองไฟใหญ่ตัวมือนนงร้องไห้ข้ามโควนถึงคนรักคนใดคนหนึ่งที่ตายไปและขณะนี้กำลังถูกไฟเผาอยู่บนเชิญตะกอนทาไมนะทำหมถึงอายุท่านอย่างนี้เจ้จากไปแล้วยังไม่มีวันกลับ โโออ้ม่นาแีดูก่อนอุบาสิกานางกำลังร้องไห้คร่ำครวญถึงใครดิฉันกำลังกล้ามกลัวถึงลูกอ๋อลูกเหรอดิฉันเหมือลูกชายคนเดียวเขาก็มาด่วนจากไปแล้วโธ่ลูกเอ้ยเจ้าชังไม่สงสารแม่บ้างเลย ไม่น่าจะขึ้นมาไปเลยดูก่อนอุบาสิกาอัตมาจะเล่าเรื่องประหลาดให้ฟังเรื่องหนึ่งถ้านางอยากจะฟังอัตมาเชื่อและเกินว่าเมื่อได้ฟังเรื่องดีแล้วบางทีนางจะสบายใจขึ้นบ้างแล้วขุนดาวจะเล่าอะไรกับเรามาเถอะนางต้องตั้งใจฟังนะอย่ามาบังคับนะอัตมาไม่ได้บังคับ เล่าแล้วไม่มีใครตั้งใจฟังจะเล่าทําไมให้เสียเวลาล่ะเรื่องราวขุนเจ้าเราไปเถอะไม่้ฉานจะตั้งใจฟังเมื่อวานนี้ขณะที่อาตมาเดินทางมาถึงฝั่งแม่น้ําคงคาอาตมาได้พบหญิงคนหนึ่งกําลังยืนร้องไห้คร่าครวญอยู่บนฝั่งแม่น้ําคล้ายกับนางกําลังร้องไห้อยู่เดี๋ยวนี้อาตมาจึงเดินตรงเข้าไปหา นางร้องไห้ทำไมบอกอาตมาหน่อยได้ไหมข้าเจ้าร้องไห้เพขาดใจที่มันไม่ยอมทำตามบุษบกดื้อดึงซะจริงใครกระที่ดื้อดึงข้าไม่เห็นหรอกนอาตมาไม่เห็นมีใครนอกจากนางข้าเจ้ามาเยืนอยู่ที่นี่ที่ริมฝั่น้ำไม่ต้องแต่ใจแล้วนางมายืนอยู่ที่นี่ทำไมก็มาห้ามมาันน่ะสิมันนะใครละ่ะ ก็น้ำเละไม่น้ำเลสิน้ำนางข้ามน้ำเละนั่นแหละก็เท่าน้วสินางข้ามอะไรน้ำล่ะเขาไปเจ้าข้าปลาไม่ให้น้ำไหลไปทางใต้ปลาโยนตได้คำหวานก็แล้วคู่เค้นด่าทอก็แล้วน้ำก็ไม่ยอมฟังเสียงคงไหลไปไม่หยุดยนต์ท้อหยุดทีสิน้ำ ดูก่อนอุบาสิกาถ้านางไปพบหญิงคนนั้นอย่างอาตมานาจะคิดว่าหญิงคนนั้นเป็นคนบ้าหรือดีก็บ้านะที่พระคุณเจ้า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 คนเราเป็นสัตว์มีเหตุผลจะทำอะไรลงไปควรคิดให้ดีซะก่อนว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์และความสุขแก่ตนแก่คนอื่นหรือไม่ถ้าเห็นว่าทำลงไปแล้วไรประโยชน์ก็ไม่ควรทำการร้องไห้ข้ามโคลนถึงบุตรที่ตายไปนแล้วนี้นานได้ประโยชน์สุขอะไรบ้างประโยชน์สุขยังงั้นเลยคะ่ะถูกแล้วนานได้ประโยชน์สุขอะไรไหมฉัอ่ นางมองไม่เห็นใช่ไหมนั่นเป็นของแน่อาัตมาก็มองไม่เห็นว่าจะได้อะไรมาเลยถึงนางจะร้องไห้จนน้ำตาเป็นเลือดบทของนางก็ไม่กลับคืนมาไม่มีใครเอาแก้วแหวนเงินทองมาให้เพราะการร้องไห้นี้นางต้องเสียน้าตาเสียกาลังใจเสียสุขภาพอนาไมการร้องไห้คล่โครวมมิแต่เสียอย่างเดียวไม่มีทางได้เลย เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นคนเราถ้าขืนทำสิ่งไร้ประโยชน์อยู่เช่นนี้จะชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีเหตุผลยังไงได้ล่ะโอโ้ข้าแต่พระคุณเจ้าคำพูด ข, ของท่านถ่วยบรรเทาความทุกโศกที่ฉันได้มากทีเดียวเป็นพระคุณยังรุนเหลือที่ถ่วยให้แสงสว่างแก่ฉันแต่สำหรับบุตรนั้นดิฉันรักเขาเหลือเกิน